คู่มือมนุษย์เรื่องท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหนถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วยต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้วจะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือนๆกันตรงกันที่ว่าคนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวความมืดกลัวพายุกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจ หรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้นและ ว, วิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือต้องแสดงอาการยอมแพ้หมอบกราบอ้อนวอนบูชาแล้วแต่คนฉลาดที่สุดในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจที่นับว่าศา ส, สนาเกิดขึ้นมาในโลกด้วยอำนาจของความกลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัว ความกลัวของคนชั้นหลังๆเลื่อนสูงขึ้นมาถึงความกลัวทุกชนิดที่อำนาจทางวัตถุช่วยไม่ได้เช่นความเกิดแก่เจ็บตายความหมุนหมองมืดมัวเพราะอำนาจของความอยากความโกรธความหลงผิดถึงแม้คนเราจะมีอำนาจหรือเงินทองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระงับอาการอันโหดร้ายของความทุกข์เหล่านั้นได้ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่จเจริญด้วยนักคิดนักค้นคว้าผู้มีสติปัญญาทั้งหลายจึงได้ละทิ้งการไหวบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำการค้นหาวิธีเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะความอยากความโกรธความหลงผิดให้ได้นี่นับว่าเป็นบ่อกเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญาในที่สุดก็ได้พบวิธีที่จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บ หรือเอาชนะกิเลสต่างๆได้สำหรับพระพุทธศาสนาก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบวิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่คนกลัวได้เต็มตามความประสงค์และเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าพระศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้ เพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้นการทำพิธีรีตองเพื่อบูชาบวงสรวงอ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่รับเข้ามาไว้ในศาสนาของพระองค์เลยเพราะเป็นสิ่งที่น่าขบขันน่าหวเราะและถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทําเช่นนั้นโดยสิ้นเชิงมีคํากล่าวในพระพุทธศาสนาความรู้ความฉลาดและความสามารถที่จะทําให้สําเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเลิกที่ดีอยู่ในตัวมันเองแล้ว ดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ผ่านพ้นคนโง่ๆที่มัวแต่นั่งคำนวณดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิน้นและว่าถ้าน้าศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาจะทำให้คนหมดบาปหมดทุกข์ได้แล้วพวกเต่าปูปลาหรือหอยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือสระศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปด้วยน้านั้นเหมือนกัน ถ้าหากว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงบูชาอ้อนวอนเอาแล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีใครมีความทุกข์เลยเพราะว่าใครๆต่างก็บูชาอ้อนวอนเป็นโดยเหตุที่ยังมีคนที่มีความทุกข์ทั้งที่ได้กราบไหว้บูชาหรือทำพิธีรีตองต่างๆอยู่จึงถือว่าไม่เป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้ฉะนั้น เราจะต้องพิจารณาโดยละเอียดละอ่อให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นนั้นให้ถูกต้องพุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะทำไปตรงๆ ต, ตามที่มองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นแม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทันทีเราจะต้องฟังและพิจารณาจนเห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อและพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเองศา ส, สนาเหมือนของหลายเหลี่ยมดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคล น, นั้น จะถือหลักการคิดในแนวไหนก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันได้แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้คนเรายอมเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความจริงหรือสัจจะสําหรับคนหนึ่งๆนงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไรเท่านั้นเอง สิ่งที่เรียกว่าความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราเข้าถึงปัญหาหนึ่งหนึ่งได้ตื้นลึกกว่ากันหรือด้วยลักษณะที่ต่างกันและด้วยสติปัญญาที่ต่างกันสิ่งใดที่อยู่เหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตนหรือตนยังไม่เข้าใจคนนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงของเขาถ้าเขาจะพลอยว่าจริงไปตามผู้อื่นเขาก็รู้สึกอยู่แก่ใจว่า ไม่เป็นความแท้ความจริงของเขาเลยความจริงของคนหนึ่งหนึ่งนั้นจะเดินคืบหน้าได้เสมอตามสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันจนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้ายคนเรามีการศึกษามาต่างกันและมีหลักพิจารณาสำหรับจะเชื่อต่างๆกันฉะนั้นถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนา ก็จะเกิดความคิดเห็นต่างกันไปทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรๆครบทุกอย่างที่จะให้คนดูดังที่กล่าวมาแล้วพุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากความทุกข์โดยการทำให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทาได้ก่อนและได้ทรงสอนไว้แต่คัมภีร์ทางศาสนานั้น ย่อมมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นได้ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพิ่มเติมลงไปพระไตรปิฎกของเราก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคนชั้นหลังๆเพิ่มเติมข้อความเข้าไปตามที่เห็นว่าจําเป็นสําหรับยุคนั้นๆเพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นหรือกลัวบาปรักบุญมากขึ้นซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขต จนกระทั่งเกิดการเมาบุญกันใหญ่แม้แต่พิธีรีตองต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพียงเล็กๆน้อยๆก็พลอยถูกนับเข้าเป็นพุทธศาสนาไปด้วยอย่างน่าสมเพชเช่นการจัดสำรับข้าวหวานผลหมากรากไม้เพื่อเส้นวิญญาณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระเป็นต้น มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตามหลักของพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทบางพวกเข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาและได้สอนกันถือกันอย่างเคร่งครัดพิธีรีตองต่างๆทํานองนี้ได้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากมายจนหุ้มห่อของจริงหรือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไปขอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการบวชนาค ก็เกิดมีพิธีทำควันนาคเชื้อเชิญแขกมาเลี้ยงดูกันอย่างเมาไม้เอกเระเกรกทำพิธีทั้งที่วัดและที่บ้านบวชไม่กี่วันก็สึกออกมาแล้วกลายเป็นคนเกลียดวัดยิ่งไปกว่าเดิมก็มีนี่ขอให้คิดดูเธอว่าสิ่งไม่เคยมีในครั้งพุทธกาลก็ได้มีขึ้นการบวชสมัยพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่า บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชีทิ้งได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์โอกาสเหมาะสมเมื่อไหร่ท่านก็บวชให้โดยมิได้พบหน้าบิดามารดาญาติพี่น้องเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีแม้บางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดามารดาบ้างก็ตออโอกาสหลังซึ่งเหมาะสม แต่ก็มีน้อยเลิกเกินในพุทธศาสนามีระเบียบว่ามาบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลสมควรและพึงทราบไว้ด้วยว่าพวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้านไม่ได้บวชในที่ต่อหน้าบิดามารดาไม่ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วันศึกศึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้ เราหลงเรียกการทำขวัญ น, นาคและการทำพิธีต่างๆตลอดถึงการฉลองอะไรๆเหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็นิยมทากันอย่างยิ่งจนหมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือของคนอื่นเท่าไรก็ไม่ว่าพุทธศาสนาใหม่ๆอย่างนี้เกิดมีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแห่งธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นถูกหุ้มห่อด้วยพิธีรีตองจนมิด เกิดมุ่งหมายผิดเป็นอย่างอื่นไปเช่นการบวชก็กลายเป็นเรื่องสำหรับแก้หน้าเด็กหนุ่มหนุ่มที่ถูกหาว่าเป็นคนดิบหาเมียยากอะไรเหล่านี้เป็นต้นในบางถิ่นบางแห่งถือเป็นโอกาสสำหรับรวบรวมเงินที่มีผู้นำมาช่วยเป็นการหาทางร่ารวยซักคราวหนึ่งถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าพุทธศาสนาใครไปตาหนิติเตียนเข้า ก็จะถูกหาว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือทำลายศาสนาอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นกรถินพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะให้ภิกษุทำจีวรเป็นด้วยตนเองด้วยกันทุกรูปและให้พร้อมเพรียงกันทำด้วยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็วถ้าผ้าที่ช่วยกันทำนั้นมีผืนเดียวก็มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นเจ้าอาวาส แต่เป็นภิกษุซึ่งหมู่สงเห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรที่จะใช้จีวรผืนนั้นได้หรือขาดแคลนผ้าจะใช้สอยให้เป็นผู้ใช้สอยจีวรผืนนั้นได้ในนามของสงทั้งหมดพระองค์ทรงมุ่งหมายจะให้พระทุกรูปหมดความถือเนื้อถือตัวไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยสมภารเจ้าวัดหรือพระผู้ใหญ่มีศักดิ์มีเกียรติอะไรก็ตามต้องลดตัวลงมาเป็นกุลีกันหมดในวันนั้น เพื่อจะมาระดมกันกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าต้มแก่นไม้ทาสีย้อมผ้าและอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้จีวร น, นั้นสำเร็จได้ในวันนั้นเพราะเป็นการรวบรวมเอาเศษผ้ามาต่อกันเป็นจีวรพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้สิ่งที่เรียกว่ากะถินเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องไปเกี่ยวกับคารวาสเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กรถิน กลายเป็นเรื่องมีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเ อ, อกระเริบเฮฮาสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริงแต่กลับใช้เวลามากเปลืองเงินมากยุ่งยากมากจนกลายเป็นโอกาสสำหรับทำสามาเลเทเมาคือไปทอดกะถินเพื่อกินเหล้ากินปลาเล่นไพ่เฮากันอย่างสนุกสนานหรือไม่ก็มุ่งหน้าหาเงินกันเท่านั้น พุทธศาสนาเนื้องอกทํานองนี้มีขึ้นใหม่ๆมากมายหลายร้อยอย่างโดยไม่ต้องระบุชื่อเพราะมากจนระบุไม่ได้แต่อยากจะให้เชื่อว่าพุทธศาสนาเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งซึ่งงอกขึ้นงอกขึ้นจนปิดบังห่อหุ้มเนื้อดีหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ค่อยๆลบเลือนไปด้วยเหตุชนี้แหละสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนา จึงมีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจากตัวแท้ของศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิมเกิดเป็นนิกายใหญ่และนิกายย่อยๆอีกตั้ง2 0สถึงนิกายที่กลายเป็นนิกายตันตระที่เนื่องกับกามารมไปก็มีจําเป็นที่จะต้องแยกแยะให้รู้จักตัวพุทธศาสนาเดิมแท้ไว้เสมอจะได้ไม่หลงงมงายยึดถือเปลือกที่หุ้มภายนอก หรือติดแน่นในพิธีรีตองต่างๆจนเป็นการประพฤติผิดไปจากความมุ่งหมายเดิมที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเราควรยึดกายวาจาบริสุทธิ์ให้เป็นที่ตั้งของจิตบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นอย่าได้ถือว่าถ้าเขาว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพุทธศาสนา เนื้องอกนั้นได้งอกมาแล้วนับตั้งแต่วันหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานและยังงอกเรื่อยๆมากระจายไปทุกทิศทุกทางจนกระทั่งบัดนี้เลยมีเนื้องอกก้อนโตๆอย่างมากมายพวกเราเองจะไปอ้างเอาพุทธศาสนาเนื้องอกมาถือว่าเป็นพุทธศาสนาไม่ได้หรือคนในศาสนาอื่นจะมาชี้ก้อนเนื้องอกเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่อย่างหน้าบัด ส, สีอย่างหน้าละอายว่าเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ถูกเหมือนกันคือไม่เป็นการยุติธรรมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เป็นเนื้องอกพวกเราที่จะช่วยกันจัรลงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายหรือเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองก็ตามจะต้องรู้จักจับฉวยให้ถูกตัวแท้ของพุทธศาสนา ไม่ไปถูกชิ้นเนื้อร้ายเนื้องอกดังที่กล่าวมาแล้ว